วันนี้ฝนตกเป็นวันที่สามแล้วมั้งเนี่ยจะหมดหน้าฝนละ แ, แต่ฝนันก็ยังตกอยู่ทั้งหมดเราก็แต่งเอาไม่ได้แต่งอะไรบ้างมา เ, เกิดมาในโลกนะี่มันหลายๆอย่างได้เกินอยากจะให้ได้อย่างใจเราทุกอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้พูดอย่างนั้นเลย ไม่ใช่เป็นไปได้ยากเป็นไปไม่ได้น้อยนักที่จะถูกใจของเราเจริงเป็นคราวญญาจมกูกปรารถนาอีกอย่างหนึง่ง<ม>เป็นพระปรารถนาอีกอย่างหนึง่งเป็นข้าราชการเป็นพ่อค้าแต่ละคนมีความปรารถนาถึงจะต้องการปรารถนาความสุขเหมือนกันแต่ว่า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 บันติดตะสมณเณรส ม, มณะสมณเณรสังจิตจะสมณเณรสมณเณรที่เขาบวชตุดว่แล้วแต่เป็นลูกเศรษฐีทั้งนั้นลูกชายคนเดียวอีกต่างหากแต่ก่อนที่จะเข้ามาบวชภาษาริบุตรท่านก็ถา ม, ม, มานะสมณเณรบวชเข้ามาแล้วเนี่ยเป็นต้องอยู่คนเดียวนะปรารถนา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 ไม่ใช่เขาให้อันหนึง่งตัวเองต้องการอันหนึง่งเขาให้อันหนึ่งต้องการอันหนึง่งไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อาหารตามสั่งลักษณะอย่างนั้นอ่ะเนปรารถนาของเย็นอาจจะได้ของร้อนเนี่ยอยากจะกินน้ำแข็งเนี่ยเขาอาจจะเอาน้ำต้มมาให้วบบนั้นลักษณะอย่างนั้นอ่ะเต้องการน้าต้มเขาก็เอาน้ำแข็งมาให้ลักษณะอย่างนั้นอ่ะเนีต้องการเปรี้ยวได้จืดเนีต้องจานจืด ได้เข้มลักษณะอย่างนั้นคือไม่ได้อย่างใจคือเป็นผู้ขอเดินไปตามตระกูลต่างๆเดินบิณฑบาตตามตระกูลต่างๆเดินไปแล้วกบเขาก็ใส่ให้อย่างไงก็รับอย่างนั้นเราจะไปเรียกร้องว่าอาหารในต่องการอาหารในดีอาหารในมันดีอาหารในถูกกระโพาอาหารี้ไม่ถูกกระโพาอาหารในทานได้อาหารในทานไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่ได้ เขาให้อย่างไรต้องรับอย่างนั้นอันนี้คือการเป็นอยู่ของสมณะของพระแล้ว ก, การเป็นอยู่ก็อยู่ตามลำพังนอนองคเดียวใช้ผ้าที่เขาถวายมาตามปีตามเกิดเราจะไปเลือกสรรอยู่ในตลาดไม่ได้ถ้าหากว่าเธอเสียสละอย่างนี้ได้เธอทำตัวอย่างนี้ได้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 ยามบารมีของท่านในอดีตชาติพร้อมอยู่แล้วท่านไม่แคร์ยังไงก็ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงเข้ามาบวชพอเข้ามาบวชแล้วกันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างที่อุปชาอาจารย์แนะนําสั่งสอนจากนั้นท่านก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลเป็นอริยบุคคลเป็นทอดๆดอย่างพวกเราได้ศึกษา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 ในเห็นในปัจจุบันแต่ตามพ่จริงมันเกี่ยวเนื่องมาจากอดีตเหมือนกับพวกเราจะได้กินข้าวเนะี่ยมันเป็นมาอย่างไงมันถึงเป็นข้าวเหนียวหรือเป็นข้าวสวยอยู่ในบาทของเรามันก็ต้องมีเหตุซะก่อนก่อนที่จะมีข้าวอย่างนี้เขาก็ต้องปักดำต้องทําไร่ทํานามีพิธีกรรมจนมาถึงเป็นข้าวสุกอันนี้ก็เหมือนกัน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 ขอให้ได้สําเร็จมักสำเร็จผลเร็วที่สุดให้ได้เป็นอริยบุคคลอย่างน้อยพระโสดาบันเป็นอริยบุคคลขั้นต้นจะตัดท้นทางย่นทุนทางเข้าไม่ให้ไม่ให้เวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าวาเรายังไม่ถึงขั้นนั้นเรายังไม่แน่อาจจะวกุนเวียนสูงสู ง, สงต่ําๆำลุ่มลุมดอนดอนถึงชาตินี้ก็เถอะ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 แต่กนบุปกรรมของท่านเป็นยังไงผลที่สุดพระพุทธเจา้าเขได้เห็นอุปนิสัยไปเทศปโปรดพ่อแม่ลูกลูกชายเจ็ดลูกสะพ้ายเจ็ดเจสองสิบ่าแม่16พ่อรวมแล้วเป็น16ชีวิตในอดีตชาติเป็นยังไงพระพุทธเจ้าท่านรู้นะอดีตชาติของพวกนี้เป็นยังไงทำไมชาตินี้ท่านทั้ง16คนจึงได้สำเร็จเป็นพระโสดาบัน ในอดีตชาตาิในอดีตชาติที่แล้วท่านเป็นเศรษฐีเขาสร้างพระบรมสาลีรีกทาตของพระมหากัสริย์พอเขาสร้างเจดีย์พระมหากัสปะขึ้นมาเสร็จแล้วเขาก็ประกาศหาเศรษฐีผู้ที่บรรจุถ้าว่าใครลงทุนบรรจุ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 เศรษฐีคนนี้ก็เลยให้ไปโกรธหนึ่งคือสิบล้านทต่ที่คนในเมืองเขาก็บอกว่าเห็นไม้มเศรษฐีบ้านนอกเขายังมีความก้าวหน้าเขาอยากจะเป็นหัวหน้าเศรษฐีในเมืองของเราไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่มิถกเก็บอย่างเดียวไม่รู้จักทาบุญเลยเศรษฐีในเมืองก็กวนน้อยหน้าทในเมื่อเศรษฐีบ้านนอกเขาให้โกรธหนึ่งแล้วสิบล้าน เศษนี้ด้เมืองเขาเลยเอาถมเข้าไปสองโกดยี่สิบล้านเพื่อจะเป็นหัวหน้าบรรจุพระบรมสาลีลิกธาติของพระมหากัสปะพระพุทธเจ้ากัสปะเศรษฐีบรา น, นอกเขียนอย่างนั้นอีกให้ไปอีกสามล้านผลี่สุดไล่ไปไล่มาจนถึงเศรษฐีบาร น, นอก ให้ไปจนถึง8ล้านเศียรีในเมืองให้จนถึงเกเกล้านให้จนถึง9กาโกดนั้นเลเก้าโกดกับเก้าสิล้านมนันแต่นี้เศียษีบ้านนอกเงินมัตระกนมีอยู่มีอยู่10โกดเท่านั้นเองทีนี้ก็ยอมแพ้บอกอถ้าเราเอาให้อีกโกดนี่ เศรษฐีนี่เขาคงจะให้อีกสองขึ้นไปอีกเราคงสู้ไม่ไหวหมดเงินอยากให้คนรู้แล้วว่าเราหมดเงินแล้เินเอาละเรายอมแพ้ก็เลยจ่ายไปแปดโกดเศรษฐีในเมืองเก้าโกด เ, เขาให้เก้าโกดแต่นี้ก็เศรษฐีบ้านนอกเนี่ยเมื่อเป็นผู้ยอมแพ้แล้วบ้านนี้หมดเงินแล้ว ไม่สู้ต่อไปแล้วไม่ลงขันต่อไปแล้วก็เลยพาลูกพาเมียพ่อแม่แล้วก็ลูกชายเจดคนลูกสะใภ้เจดคนรวมแล้วเป็นส6หคนเข้าไปมอบตัวเป็นทาตรับใช้เจดีย์ขอมอบกายถวายชีวิตเป็นทาตรับใช้เจดีย์ของพระพุทธเจ้ากัสสปัจจนชีวิตจะหาไม่ จะดูแลปณิบัติทุกอย่างทําความสะอาดทุกอย่างเป็นท่านรับใช้พระเจดีของพระพุทธเจ้ากัสปะตั้งแต่บัจนี้เป็นต้นไปประชาชนทั้งหลายเขาเห็นเอือหาได้ยากเป็นผู้เสียสะละแล้วยังเป็นผู้เสียสะละกระทั่งชีวิตจิตใจ ด, ด้วยที่จะยอมเสียสละเป็นท่านรับใช้พระเจดีเนี่ยคนอย่างนี้หาได้ยากเอา้าคนอย่างนีน้ควรเป็นหัวหน้า เขาก็เลยยกเศรษฐีบ้านนอกให้เป็นหัวหน้าอีกทั้งที่เศรษฐีในเมืองให้ทุนมากกว่านะแต่ว่าอันนี้ทั้งกายทั้งทั้งเงินด้วยทั้งกายทั้งใจด้วยว่างั้นเถอะทุกอย่างมอบ ก, กายถวายชีวิตต่อพระเจดีเขาก็เลยยกให้เศรษฐีบ้านนอกเป็นผู้บรรจุพระบรมสารีด้วยกระถาดจากนั้นท่านก็นดูแลปนนิบัติทุกอย่างในพระเจดีของพระพุทธเจ้ากัสริย พอต า, าตายจากชาตินั้นตายจากชาตินั้นเิไปไปอยู่บนสวรรค์นะเพราะอเนกสง์ูแลพุท ธ, ธะเจดีพอลงมาเกิดผู้เมียนะ่ยไปไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีแต่ผู้ผัวนะี่ไปพลัดไปยังไงไปพัดหลงไปยังไงไปเกิดเป็นลูกนายพลอยู่บ้านนอกอนะ่ะแน่มันเป็นอย่างนั้นไปอีกได้กลมมันใครมองไม่เห็นไอ้ตูดข้างหลังมันเป็นยังไง พอไปเกิดเป็นนายพรานเสร็จแล้วก็พอเป็นหนุ่มขึ้นมาก็บรรทุกพวกเนื้อพวกสัตว์ออกมาขายในเมืองพอมาเห็นแทนีลูกเศรษฐีเนี่ยอยู่ในเมืองไปเห็นชายหนุ่มคนนี้เกิดคงจะปิ๊งเหมือนกนเถอะเออก็เลยวิ่งตามหาอุบายตามพวก หนุ่มคนนี้ไปเพราะมันอดีตชาติจากนั้นก็เลยต่อมาก็ไปอยู่ในชนบทในลูกถึงพวกลูกทั้งหลายเลยก็ไปเกิดกับตาแก่อีกเหมือนกันนะไอ้พวกที่ดูแลปณิบัตรพระเจดีผู้เทเจ้ากัตรปะคนหนึ่งแต่ผู้หญิงคนนี้นะเด็กเด็กสาวคนนี้นะ่ที่เป็นลูกเศรษฐีเนี่ยนะได้ไปฟังเทศพระผู้เผยเจ้าอยู่ในเมืองในกรุงสวัรค์ถีนี่อยู่ในเมือง ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันทีนี้ไปอยู่กับพรานพรานป่าสามีเป็นพรานหาหญิงสัตว์เลี้ยงชีพอันนี้พระโสดาบันพระโสดาบันมีศินห้าโดยอัตโนมัติที่ไม่ได้รับศินเหมือนงั้นไม่ได้รับสินแต่เป็นสินอัตโนมัติคือศิลพระโสดาบันทีนี้ไปอยู่กับพรานจะทํำยังไงเวลาผัวจะไปป่า ต้องการจัตตราอาวุธที่จะไปดักสัตว์ที่จะไปยิงสัตว์ผู้ผัวก็บอกเมียรือเอาหน้าไม้มาให้หน่อยสิต่นี้จะทำยังไงในฐานะที่เราเป็นเมียเขาเป็นแม่บ้านเขาจะกัดเข้นก็นไม่ละไปหยิบหน้าเอาให้เอาให้ในใจพระโสดาบันท่านบอกว่า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 ข้าเอาให้แก่ด้วยความที่ว่าเธอเป็นเจ้านายเหนือหั ว, หวลักษณะอย่างนั้นน่ะแต่นี้ผู้ผัวเขาไปข้าจัดตัดชีวิตตามที่นั้นน่ะแต่เมียมไม่ยินดีอันนี้ก็คือพระในยุคสมัยนั้นท่านก็ถามพระพุทธเจ้าเหมือนกันว่าทำไมนางเป็นพระโสดาบันแล้วทำไมจึงเอาจัตตราอาวุธให้สามี มันจะไม่เป็นบาดเปื้อนพระพุทธเจ้าบอกว่าในเมื่อมือไม่มีแผลถึงจะจับยาพิษยาพิษก็เข้าไม่สู่เข้าสู่มือนั้นไม่ได้เพราะมือนั้นไม่มีแผลถ้ามือมีแผลแล้วก็นั่นแหละอันนี้ก็คือมือท่านมีกิเลสอยู่มันก็เข้าได้แต่นี้ถ้าเขาว่าไม่มีกิเลสมันเข้าไม่ได้ความชั่วเข้าไม่ได้นี่แหละ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 บ่วงของเราเนี่ยวะไม่เห็นสัตว์ถูกสักตัวเนี่ยวะวันนี้หมเดินไปเดินไปไปเห็นพระพุทธเจ้านั่งอยู่โห้สมณะหัวโลนนี่เองมาทํากับข้านี่ยทากับข้าได้อย่างนี้่ไงเนี่ยพอว่าเด็กโมโหจัดเลยโก่งธนูขึ้นไปก็จะยิงเลยงั้นอะเอยิงพระพุทธเจ้าแต่ปล่อยลูกศรไม่ออกพระพุทธเจ้าใช้อิทธิฤทธิ์อ่างั้นเอะ ถ้าเป็นอย่างเราเน่ก็คงจะทะลุแล้วพุ่งทะลุว่างั้นแต่แต่นี่นายผ่านก่งธนูขึ้นไปปล่อยสายธนูไม่ออกปล่อยลูกธนูไม่ออกแต่เอาลงก็ไม่ได้เอาขึ้นก็ไม่ได้ได้วยอิทธิฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าท่านก็ก่งอยู่อย่างนั้นเลยแต่นี่อก่งธนูอยู่อย่างนั้นเหนื่อยก็เหนื่อยเอาลงก็ไม่ได้เพราะอิทธิฤทธิ์พระพุทธเจ้าไม่เอาลงเอาลงไม่ได้เทนี่แม่ก็เลยถามเอ้ ลูกพ่อสู้เจ้าไปสายแล้วไม่เห็นมาคงจะมีอะไรมั่งพอไปในป่านอาจจะมีเสือมีงูมีอะไรก็ได้ใช่ไหมไปดูสิตามสพ่อสูเจ้าไปสายไหนไหมลูกชายเขาไปอีกเจ็ดคนเดินเดินเดินตามไปแถวแนวไปพอไปเห็นพ่อกําลังโก่งธนูอยู่น้าลายไหลแล้วเหนื่อยเ่รางั้นะแต่ปล่อยธนูไม่ออกพวกนี้เขโอ้ส ม, มณะนี่แต่ที่ทําให้พ่อพ่อของเราจะกําลังจะยิงอยู่เนี่ย พวกลูกชายกำลังไหวส ก, กันยกธนูขึ้นมาจะยิงพระพุทธเจ้าอยู่อ่อยธนูไม่ออกอีกคนนะึงเออเป็นแปดคนทั้งพ่อนะที่แม่กับลูกสะพ้ยเ อ, อ๊ะทาไมออลูกชายกับพ่อทาไมไม่เห็นมามีอะไรกป่ะไปพวกเราไปตามดูพอพอพ อ, พอแม่ไปเห็นเห็นพระพุทธเจ้านั่งพวกนี้กำลัง เล็งธนูไปใส่อยู่งั้นแต่เอาธนูยิงไปใส่จะยิงไปใส่ผู้แม่ไปเห็นนะหนโอ้ยพวกท่านทั้งหลายทยํานี้ได้ยังไงอันนั้นพ่อของข้าชูเจ้าจะไปยิงได้ยังไงยุทพ่อว่าเลยนะโอ้โหเราไม่รู้อนี่คือพ่อตาของเรานะอันนี้โอ้ไม่ใช่ลูกเราไม่รู้อันนี้อันนี้คือตาคุณตาของเรานะก็เลยสําลึกผิดได้ลดธนูทันทียังองพอลดธนูเสร็จแล้ว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 บุปกรรมเก่าของท่านนะในอดีตท่านเป็นผู้รับใช้ในพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้ากัจสปัตตะสร้างสุดสังสมบูรณ์กุศลมหาศาลแต่ทว่าการเกิดพลิกล็อกนี่แหละว่ากรรมตัวนี้นะน่ากลัวทีเดียวถึงใครจะทำกรรมิ่งไหนไว้ก็ตามถ้าหากว่ายังไม่ได้สำเร็จพระสูดาบันขึ้นมาพร้อมที่จะ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 แต่นิกรรมของสามีหรือลูกเพิ่งมาได้ทีหลังนี่ได้สำเร็จเป็นพะ ส, สูดาบันเป็นอริยะบุคคลขั้นต้นเพราะนั้นพวกเราสั่งสมบัรมีทุกวี่ทุกวันเดินโยกงมนั่งสมาธิภาวนาไม่รู้ยุงไม่หลู้ลิไม่รู้ลิ้ลน <c oughs> กัดกินเราอยู่ในป่ารงพงไพ่ก็เพื่อปราตนาความสุขทางด้าน จ, จิตใจ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 แล้วจะชนะเขาได้ยังไงนักมวยก็เหมือนกันคุณนี่แหละจะเป็นฝ่ายชนะแน่ละคราวนี่หมอโหนชั้นเอกทานายแล้วแต่ตัวเองไม่สนใจตัวเองปล่อยปละละเลยไม่ได้สนใจมันก็แพ้วันยังค่ำนั่น เ, เหมือนเราจะสอบได้เราจะสอบได้แน่แน่โหนหมอดูเขาดูแล้วดวงเฮงจริงๆได้จริงๆแต่เราขี้เกียจ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 ทั้งว่าพวกเรามีความหมั่นขยันพยายามเร่งความภาคความเพียรขึ้นความสําเร็จมีโอกาส อ, อย่างที่พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านพาประพุทธปฏิบัติมามีโอกาสไม่ครั้งใดก็ต้องครั้งหนึ่งอย่างน้อยก็ยกระดับตัวเองให้สูงขึ้นะมันไม่อยู่กับที่แล่ะถ้าเรามีความพยายามมีความมุ่งมั่นอยู่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 บางอย่างที่จะผันแปรดวงวิญญาณของท่านให้ไปตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นแต่ท่านยังมีกรรมดนะีพระพุทธเจ้ายังไปโปรดได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลแต่ปานใทานทันท่วงจะได้สำเร็จมรรคสาเร็จผลนะพวกเรา็นนำเอาตัวอย่างมาพูดสู่กันฟังเพื่อเป็นแนวทางที่จะได้ปรับปรุงแก้ไขกายว่าจจใจของเราให้เป็นบุคคลที่ดีขึ้น